วันนี้เรามาคุยกันเรืองความตายชาวต่างประเทศที่ไปปฏิบัติธรรมที่วัดป่านานาชาติมากที่ประทับใจงานศพวัดป่าที่ประทับใจอย่างหนึ่งก็คือไม่มีใครร้องไห้ ทำไมคนดูปกติยิ้มก็มีคุยกันก็มีปกติธรรมดาเมืองนอกได้ไม่กล้าไม่มีน้ำตาหรือว่าไม่มีหัวใจอันนี้ก็เป็นเรื่องของอของวัฒนธรรมแต่ก็เป็นการป้องบอกถึงความเจริญทางวัฒนธรรมพุทธโดยเฉพาะในภาคอีสานของเรา แล้วก็เป็นที่ยอมรับในโลกตะวันตกว่าในร้อยสองรอปีที่ผ่านมาวัฒนธรรมตะวันตกดันจะมีปัญหากับความตายมากแทบจะไม่อยากจะกล่าวถึงไม่อยากจะพูดถึงแล้วไม่อยากจะให้ใครเห็นคนตาย <ST> ชาวอังกฤษชาวตะวันตก ที่50ปี60ปีไม่เคยเห็นศพแม้แต่ครั้งเดียวไม่อยากให้เห็นก็เป็นส่วนหนึ่งของความแปลกแยกจากธรรมชาติส่วนทางพระพุทธศาสนาของเราเราก็ถือว่าความสุขความสุขที่แท้จริงในชีวิตเกิดจากความรู้ความเข้าใจ ชีวิตตามความเป็นจริงนั้นพุทธศาสนาจึงไม่ใช่ศาสนาที่ยกศรัทธาเป็นคุณธรรมหลักทุนี้อิทธิปลของทวันตกเข้ามาในเมืองไทยมาหลายสิบปีแล้วแล้วในรูปแบบที่ชัดเจนแล้วก็มีในรูปแบบที่ไม่ชัดเจนก็มี ในรูปแบบที่ไม่ชัดเจนก็มีอย่างเช่นในเรื่องของการใช้ภาษาเพราะว่าภาษาไม่ใช่ของกลางภาษาที่เราใช้กันก็ยังมีสัญญามีสิ่งเกี่ยวข้องกับโลคัศน์แนวความคิดส่วนบางทีเราในเมืองไทยเอาศัพท์ฝรั่งมาใช้โดยไม่รู้สึกตัวเลยว่ากำลังเอาแนวความคิดของฝรัง่ง มาใชา้ไปด้วยอาตมายกตัวยอย่างเลยเมื่อวานนี้ที่จริงเมื่อวานนี้มีทับศัพท์เยอะเลยอัอาตมานี่ไม่ค่อยจะเก่งในการพูดภาษาไทยปนอังกฤษต้องขอโทษด้วยคือถ้าพูดไทยก็อาจจะพูดไทยล้วนพูดอังกฤษก็อังกฤษล้วนแต่ว่าจะพยายามแต่มีมีคำว่า g u i l t แล้วเราก็ได้คําฟังคำว่า g u i l t เมื่อวานนี้ใช่ ทา ต, ต่มไม่ค่อยเห็นเห็นด้วยกับการใช้คำนี้เพราะคำนี้จะเป็นคำที่มีความหมายทางศาสนาคริสต์โดยเฉพาะมันไม่ใช่คำกลางเมื่อ23 0ปีที่แล้วทางบ b c ีซมาทำสารคดเีเรื่องเชื้อพระวงศ์ของไทยแล้วเขาสัมภาษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถามท่านว่าชาวพุทธเชื่อไม่เรื่องบาปเดิม พเจ้าอยู่หัวตอบทันทีว่าไม่เราเชื่อเรื่องความบริสุทธิ์เดิมไม่ถือว่าจิตสาวหมองโดยธรรมชาติแต่เถือว่าจิตเดิมแท้เป็นของสะอาดบริสุทธิ์อันนี้ ค, นความแตกต่างที่ลึกซึ้งระหว่างตะวันตกกับตะวันออกเพราะฉะนั้นชาวตะวันตกจำนวนมากทีเดียวที่จะมีความรู้สึกตัวตัวเองว่าลึกๆนี่เราเป็นคนไม่ดี แล้วมีความรู้สึกที่ว่า g u ลตี้ไม่ใช่ g u i ตี y เพราะทำสิ่งนั้นหรือไม่ได้ทำสิ่งนี้จต่มีความรู้สึกตลอดเวลาว่าตัวเองไม่ดีฉะนั้นพระเราที่ไปเผยแผ่ are, ต่างประเทศมักจะสังเกตเห็นว่าการสอนเมตตาภาวนาจะติดขัดตอนช่วงสอนให้คนเมตตาตัวเองจะมีชาวตะวันตก หลายคนที่เดียวที่บอกว่าทําไม่ได้จะ แ, แผ่เมตตาให้คนอื่นก็พอไว้แต่แพ่เมตตาเนี่ยแกตัวเองทําไม่ได้เพราะตัวเองไม่ไม่ดีพอที่จะรับความรักมันตัวเองเนี่ยไม่ดีเลยท่านนี้ก็เป็นธรรมชาติของของจิตใจของผู้ที่เติบโตในวัฒนธรรมตะวันตกซึ่งมีผลต่อ วิทยาการด้วยเพราะวิทยาศาสตร์วิทยาการต่างๆถึงแม้ว่าอยากจะบอกว่าเป็นเรื่องกลางเป็นเรื่องออบเจกต์ที่จริงมันก็ต้องรับอิทธิพลจากวัฒนธรรมไม่มากก็น้อยฉนันเกี่ยวในความเข้าใจของาตมาต้องมีส่วนของความยึดมั่นถือมั่นในอัตราตัวตนว่าเราเป็นคนไม่ดีและเมื่อเราทำสิ่งที่ไม่ดีจำ เ, เป็นการย้าความจริงว่าลึกๆ จิตใจเดิมแท้ของเราเป็นของชาวมองซึ่งมันไม่เหมือนกับความละอายที่นักวิชาการบางคนก็ยังแยกระหว่างวัฒนธรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมเชม m หรือวัฒนธรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมความละอายแล้วเราเราถือว่าความละอายเป็นกุศลธรรมได้เกี่ยวกับเป็นอกุศลธรรมถ้าดหลักปาลีและหลักพระเราก็ถือว่าเกี่ยวเป็นนิวร์ เราบังเกิดจากความยึดมั่นถือมั่นในอัตตาตัวตนส่งความละอายเป็นสิ่งที่จะนำไปสู่ความเจริญเราเป็นการเห็นด้วยปัญญาว่าการกระทำการพูดไม่เหมาะสมและเป็นสิ่งที่นำไปสู่ความเสื่อมเสียเป็นตน้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของภาษาทีนี้มุมมองต่อความตายอาจจะค่อยเปลี่ยนไปโดยเราไม่รู้สึกตัวได้เหมือนกัน มาว่าเราอยากจะเห็นทัศนะของความตายที่ถูกต้องหรือว่าที่ที่งามที่น่าชมตรงไปที่วัดป่าจะเห็นชาวบ้านที่ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาถ้าถามชาวบ้านว่าทําไมไม่ร้องไห้เขาบอกร้องไห้ทําไมเขาแก่แล้วเขาตายแล้วเรื่องธรรมดาอันนี้ก็คือภูมิปัญญาของชาวพุทธในเมืองไทยจึงเราต้องพยายาม รักษาไว้ที่พอเราลับวิทยาการจากตะวันตกอย่างเช่นวิทยาการการแพทย์ก็เช่นเดียวกันก็ยังมีแนวความคิดของตะวันตกฝังอยู่ในวิทยาการอย่างเช่นการมองความตายเป็นศัตรูสู้กับความตายอย่างเช่นสำนวนฝรั่งที่เขาจะใช้บ่อยมากตอนที่ใครเสียชีวิตจากมะเร็งก็ามักจะใช้คําพูดว่า He battle lost his battle against cancer ค mm ือเขาแสงครามกับก ouais ับมะเร็งซึ่งความความรู้สึกนึกคิดอะไรต่างๆในชีวิตทางพุทธศาสนาเราเราสอนว่ามีเหตุปัจจัยสำคัญจากทิฏฐิหรือว่าสัมมาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิสามาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิรวมถึงเรื่องค่านิยมโลกัศน์มุมมองต่อชีวิต ในเมืองไทยถึงแม้ว่าเราเราถือว่าเราเป็นวัฒนธรรมพุทธวัฒนธรรมที่ไม่ใช่พุทธก็มีมากอืและวัฒนธรรมที่ไม่ใช่พุทธเพิ่มขึ้นทุกวันวันที่เราไม่ทําความรู้ความเข้าใจว่าวัฒนธรรมพุทธคืออะไรแล้วเราไม่ตกลงกันว่าอยากจะรักษาไว้และอยากจะทํำอยู่ได้นาน เป็นเป็นที่พึ่งของเราของลูกของหลานของเราแล้วก็ต้อ ง, งกำหนดให้ชัดเจนว่ามันคืออะไรแล้วมันต่างกับมุมมองอย่างอื่นโลกัศน์อย่างอื่นที่ทางพุทธศาสนาเราก็เชื่อเรื่องการวิญวายตายเกิดที่จริงแล้วดูลักฐานเรื่องการตายแล้วเกิดมีมากมายเหลือเกิน ถ้าเทียบกับทฤษฎีที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลกในเรื่องอื่นก็รู้สึกว่าหลักฐานอย่างอย่างนักแน่นกว่าหลายทฤษฎีเหมือนกันแต่ปัญหาของทฤษฎีหรือว่าความคำสอนเกี่ยวกับการวินวายตายเกิดก็หนึ่งเพราะมาขัดกับหลักวัตถุนิยมว่าตายแล้วศูนแล้วก็สอนก็มันก็ขัดกับหลักของศาสนาที่มีพระพุ็นเจ้า ซึ่งมีอำนาจในโลกมากเพราะนั้นรู้สึกว่าโดยทั่วไปก็ไม่ค่อยจะให้ความสำคัญกับการค้นคว้าในเรื่องนี้เท่าที่ควรนักวิชาการที่ทำงานในด้านนี้มากแล้วก็มีผลงานน่าสนใจก็คือ professor Ian Stevenson ที่มหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียก็ทำดังเสือออกมาหลายเล่มที่ไปสัมภาษณ์ผู้ที่บเหลกชาดได้ อัตมาเคยนั่งเลือบินไปกรุงเทพกับอาจารย์มาสอนที่มหาวิทยาลัยอุบลแล้วก็บอกว่าเขาเป็นชาวพุทธเขาชอบพุทธศาสนาเขาชอบปรัชญาทางพุทธแต่เรื่องเวียนวายไตยเกิดนี่ไม่ไม่รับถามว่าทําไมไม่รับเขผมก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ทั้งมาและ อ, อ๋เอเหรอเเป็นนักวิทยาศาสตร์คือไม่รับใช่ไหมแล้วถ้าอย่างนั้นเ อ, อ เมื่อมีข้อมูลอย่างนี้สมมติฐานของอาจารย์ก็คืออะไรเคอไม่ใช่ว่านักวิทยาศาสตร์ปาดออกไปแล้วว่าไม่ใช่วิทยาศาสตร์ฉันไม่รับถ้ามีข้อมูลเป็นที่ยอมรับแล้วแล้วก็ต้องมีสมมติฐานอย่างอื่นอาตมาก็เลิเล่าให้เขาฟังว่าครั้งหนึ่งเคยเจอเอกการาจูตลาวซึ่งเคยรับราชการที่พนมเพญ เขาเล่าว่าแต่ก่อนเขาไม่เชื่อเรื่องการวิ่นวายใดเกิดแล้ววันหนึ่งทางทูตรัสเซียก็เล่าให้ฟังว่ามีชาวบ้านคนหนึ่งผู้หญิงอายุ30กว่าพาลูกชายสามคนไปที่สถานทูตปรากฏว่าลูกชายคนโตอายุ4ีขวบพูดภาษารัสเซียได้ชัดเจนมากแล้วทางฝ่ายผู้หญิง ก็ที่บายว่าลูกรบเร้าอยู่ตลอดเวลาว่าไม่ใช่ลูกเป็นคนรัสเซียอยากกลับบ้านแล้วก็สองคนนี้ไม่ใช่น้องก็เป็นแค่เพื่อนอเขาอยากกลับบ้านเขายัางสามารถบอกที่อยู่บอกชื่อบอกเบอร์โทรศัพท์อะไรทั้งหมดเลยก็ทางสถานทูตรัสเซียไม่ไม่รู้จะทํายังไงก็เลยรับข้อมูลแล้วก็ไปติดต่อทางมอสโกรปรากฏว่าในบ้านนั้น เขาเคยมีลูกชายเป็นทหารรับรับราชการเป็นทหารอยู่ที่แคเมรแล้วก็ขับรถจีบแล้วก็เจอคุณระเบิดตายฆ่าทีสามคนใกล้ๆหมู่บ้านที่เด็กคนนี้เกิดในอาตมา ก, ก็ก็บอกกับอาจารย์นักวิทยาศาสตร์คนนี้สมมติฐานของอาตมา ก, ก็คือทหารสามคนนี้มาเกิดเป็นลูกของชาวบ้านคนนี้สมมติฐานของอาจารย์เป็นยังไง เขาบผมไม่รู้ล่ะผมไม่มีสูตรผมเป็นนักวิทยาศาสตร์ผมไม่เอาเลยมัน ง, งมงายเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้ว่าเชื่อว่าไม่มีมันก็งมงายเพราะพ อ, พอก็เชื่อว่ามีใช่ไหมถ้าหากว่าเราไม่มีเหตุผลการปฏิเสธมันไม่ใช่ว่าเป็นท่าที่ของผู้มีเหตุผลเสมอไปอนั่นในเรื่องการวินวายตายเกิดเราก็มีหลักฐานจากพระไตรปิตก ข, ข้องคังจะมากพระพุทธองค์ รักถึงเรื่องการวินวายตายเกิดมากมายถึงแม้ว่าไม่ใช่หัวใจของพุทธศาสนาเป็นซูหนึ่งที่พระองค์ท้งกล่าวถึงบ่อยในพระพุทธองค์เคยหยิบใ ไ, ไม้มาจําได้ว่าที่ถามสาวกว่าใ ไ, ไม้ในกํามือและใไม้ในปา่าในมากกว่ากันแล้วสาวกก็บอกว่าใ ไ, ไม้ในในป่าไม้มากกว่าและพระองค์ก็ทรงอธิบายว่า สิ่งที่พระองค์ทรงดัตสรู้ก็เหมือนใบไม้ในป่าแต่สิ่งที่ท่านหยิบขึ้นมาสอนที่เป็นประโยชน์แก่มุ่งมนุษย์ก็เหมือนกับใบไม้ในกำมือจะน้อยมากเพราะฉะนั้นคำถามก็คือใบไม้ในกำมือคืออะไรใบไม้ในกำมือก็คือพระสูตรคำสั่งสอนก ข, ของพระพุทธองค์แต่ในพระสูตรก็มีเรื่องการวินวายตายเกิดมากทีเดียวเพราะฉะนั้นเราสรุปได้ว่า ในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่พระองค์ทรงตรัสสรุปเรื่องการวินัยใตเกิดมาบอกแก่มนุษย์เราเพราอเป็นประโยชน์อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราต้องย้ำเหมือนกันว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเจริญด้วยสมถทิทิไม่ใช่แค่ความเชื่อเรามีหลักฐานจกหนึ่งจกผู้ที่ระลึกชาติโดยธรรมชาติโดยเฉพาะจะเป็นเด็ก3ขวบสขวบเพเขาโรงเรียนมักจะลืมไป สองจากพระผู้ปฏิบัติปฏิบัติชอบทำสมาธิทึ่งท่านอัปนาสมาธิหลายองค์ที่เวรลกชาติเป็นสิบสบชาติได้และก็มีลักฐานจากประจัยปิตตกทั้งหมดในอัตมาว่าเป็นเป็นหลักฐานเพียงพอที่ชาวพุทธเราจะรับไว้ก่อนโดยที่เรามีหลักการ อ, กอีกข้อสำคัญมากที่พระองค์ฝากไว้กับพวกเรานั่นคือเรือการรักษาสัจจะ สัจจานุรักษ์ไม่ถึงว่าเราแยกระหว่างความรู้กับความเชื่ อ, อเรื่องความเชื่อไม่ห้ามแต่ให้เราระลึกอยู่เสมอว่าความเชื่อไม่ใช่ความรู้อันนี้ก็เป็นปัญญาในพุทธศาสนาที่อยากจะให้ศาสนาอื่นได้เรียนรู้ไว้บ้างคือศาสนาอื่นส่วนมากก็จะถือว่ามันจริงมันจริงเพราะอะไรมันจริงเพราะฉันเชื่อ ฉันเชื่อหลือเกินถ้าหากว่าไม่จริงก็คงไม่เชื่ออย่างนี้เพราะฉะนั้นกลเป็นว่าเราเชื่อเพราะมันจริงมันจริงเพราะเราเชื่อขอใช้ภาษาอังกฤษก็เลยว่า circular reasoning เป็นเหตุผลวงกลมเชื่อเพราะจริงจริงเพราะเชื่อแต่ทางพุทธศาสนาคงเราบอกว่าเชื่อไม่ใช่รู้หรอกคนเราไม่สามารถเชื่อในสิ่งที่ไม่เป็นจริงได้ไม่ใช่หรอือ อย่างเช่นตัวตามาเองตอนเด็กนี้เชื่อซันต์คลร์เชื่อมากเลยฮะเชื่อร0อยเซต้อนหลังก็ทราบว่าไม่มีเพราะนั้นเราจะเอาเอาแค่ความเชื่อเป็นหลักไม่ได้ตันเรื่องการวินวายไตยเกิดไม่ใช่ว่าต้องเชื่อร0อยเปอร์ซแต่ในเมื่อเราได้พิจารณาดูสิ่งที่พระพุทธองค์สั่งสอนที่เราพิสูจน์ได้ปรากฏว่าไม่เคยผิดพลาดแม้แต่ข้อเดียว แล้วก็ทําให้เราสามารถเชื่อมั่นในส่วนที่เรายัางเข้าไม่ถึงแต่อย่างก็ตามครูบาอาจารย์ของเราทั้งสอนว่าความสงสัยในคําสอนทางศาสนาไม่เคยจบไปด้วยการศึกษาหรือการถามคนอื่นมันจบที่การปฏิบัติรันตรงปฏิบัติเพราะเรื่องเรื่องความตายเรื่องความตายก็ไม่เป็นปัญหาใช่ไหมมันก่อนตายที่เป็นปัญหา ขณะที่ตายนี้ว่าไม่เป็ น, เ ป, นเป็นปัญหาเพราะนั้นส่วนหนึ่งที่เร า, เาต้องพูดกันมากหรือว่าโดยเฉพาะในแง่ว่าบทบาทของศาสนาคือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตและโลกตามความเป็นจริงแล้วความเชื่อที่ประกอบด้วยเหตุผลเกี่ยวกับการวินวายตายเกิดก็เป็นสิ่งที่มีผลดีต่อจิตใจ ของคนไข้มากและไม่ใช่เป็นแค่การปลอบใจอย่างเดียวเราก็ถือว่าเป็นการปลอกความจริงแล้วเราก็ยังมีเหตุผลประกอบพอสมควรนั้นถ้าเราถือว่าชาตินี้ก็เป็นแค่ฉากเดียวเท่านั้นแล้วเกิดมาเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาเพื่อตาย มีคนถามอาตมาว่าทำไมสุนามิเกิดขึ้นที่ปากใต้มันเป็นเพราะอะไรตมาอ่ทำไมคนต้องตายเป็นหมื่นตมาก็ตอบง่าย่าเขาตายเพราะเขาเกิดเพราะไม่เกิดก็ไม่ตายก็เท่านั้นจบถ้าไม่มีสุนามิเขาก็จะตายอยู่แล้วไม่ใช่ว่าจะไม่ตายอันนี้แบบพูดแบบตรงไปตรงมาฮะแต่ว่าไม่มีใครพ้นหรอกเรื่องความตาย ที่นีในในวัฒนธรรมผุดเดิมของเร า, เ, าเราก็มีธรรมเนียมธรรมวัดเชา้าธรรมวัดเย็นแล้วก็มีการธรรมวัดแปลทุกวันทุกวันว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วมพ้นความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วมพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาเราพ้นจากความตายไปไม่ได้นี่ถ้าเรา สวด ท, ทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันมันก็กลายเป็นศูนหนึ่งของความรู้สึกของเราก็เธอว่าธรรมดาจริงๆเราก็ไม่ได้แปลกใจเมื่อเรามีการพลัดพรากจากใครเราก็ไม่ได้แปลกใจก็เธอว่าเออใช่ฮะมันเหมือนที่พุทธเจ้าท่านสอนวันแทนที่จะรู้สึกตกใจเราก็ยังรู้สึกศรัทธาเพิ่มมากขึ้นว่าอุพุทธเจ้าท่านสอนจริง แต่คอยสังเกตว่าความจริงในชีวิตมันมีมันมีหลายประเภทความจริงที่ว่าฟังแล้วก็แล้วไปก็มีอย่างเช่นรู้ว่ามีคนมาร่วมประชุมวันนี้กี่คนกี่ร้อยคนเป็นข้อมูลเราฟังแล้วก็แล้วไปก็ไม่ได้ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเราแต่อย่างไรแต่บางสิ่งบางอย่างพอฟังปับ๊บมีอารมณ์เกิดขึ้นสมมติว่าคนมา บอกว่าไฟไหม้บ้านอย่างเงี้ยพอทราบเราก็ทุกทันทีใช่ไหมอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ว่าเกิดผลกับความรู้สึกของเราทันทีแต่ก็มีความจริงอย่างบางอย่างที่เราต้องคิดต้องพิจารณาบ่อยมากสมัยก่อนลุงพชาท่านจะเทศให้พระฝัง ทุกคืนทุกคืนคืนละสองชั่วโมงสามชั่วโมงนานมากแล้วท่านเคยให้เหตุผลว่าเรื่องการฟังเทศนะไม่ใช่ว่าฟังครั้งสองครั้งมันจึงจะเข้าใจบางที่ต้อง200ครั้ง -300 ครั้งครั้งที่ 300-400-500 มันจึงอ้อใช่เป็นอย่างนั้นนั่นธรรมะเป็นสิ่งที่เราท้องน้อมเข้ามาสู่ จิตใจคงเราต้องมีการปฏิบัตินี่เราก็รู้ว่าคนส่วนมากคิดว่าเขายัางมีเวลาใช่ไหมยังตอนนี้ยังหนุ่มยังสาวอยู่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติธรรมให้ผมงอกให้ฟันหักซะก่อนมันจึงคอยเข้าวัดเข้าวัดแล้วหูก็มีดีฟังเทศก็ยังมาบ่นว่าท่านอาจารย์พูดค่อย กสิยัง่งว่าจะได้ยิ่งเลยหรอว่าอ้าวเข้าวัดตอนายุหกสิบ็ดสิบปีมันจะไปหวังอะไรมากมายเรื่องคนไม่เข้าวัดเลยเขาไม่ปฏิบัติธรรมเลยพอจวนจะจะไปแล้วลูกหลานก็เป็นหัวงก็อ้าวคุณยายพุทธโธพุทธโธนะหายใจเข้าพุทธหายใจออกโธเออยายค่ะค่ะมันไม่อยู่หรอก ขนาดคนยังแข็งแรงอยู่ข่าวัดเข้าว่าเนี่ยมันยังไม่ค่อยจะอยู่แล้วคนที่ไม่เคยปฏิบัติมันจะได้เหรอมันมันยากมากนั้นพระองค์ก็ให้เราพิจารณาไว้ว่าเราต้องมีการผลัดพรากจากสิ่งที่เรารักทุกสิ่งทุกอย่างจากทุกคนเราไม่ตายจากเขาเขาต้องตายจากเราชีวิตของเราไม่แน่นอนอ่า เราต้องตายแน่นอนแต่จะเมื่อไรยังไรก็ไม่แน่นอนเราฟังอย่างนี้ก็ไม่ใช่ข่าวใหม่ไม่ใช่สิ่งที่เราไม่เคยฟังมาก่อนแต่เ ป, เป็นความจริงประเภทที่ว่าต้องน้อมเข้ามาสู่จิตใจมันจึงจะเกิดผลไม่ใช่ความรู้ประเภทแรกที่ว่าฟังแล้วก็แล้วไปได้ผลปัญญาจะเกิดขึ้นเพราะต้องน้อมจาก สมองน้อมจากสัญญาน้อมจากระดับความคิดมาสู่จิตใจจงเกิดผลในวิธีชีวิตของตนแลพุทธศาสนาจึงเป็นศาสนาแห่งการปฏิบัติทั้งพุทธศาสนาไม่ปฏิบัติไม่ได้ทีนี้เราก็ต้องเข้าใจว่าศาสนาพุทธเราเป็นคนละแบบคนละประเภทกับศาสนาที่มีพระพูทเป็นเจ้าเป็นหลัก ศาสนาเหล่านั้นเอาศรัทธาเป็นใหญ่เราอาจจะเรียกศาสนาเหล่านั้นว่าเป็น belief system เป็นระบบความเชื่อแตนในสายตาของชาวตะวันตกจะมองศาสนาว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นหลักความเชื่อศาสนาพุทธไม่ใช่หลักความเชื่อ ที่เราจะเอามาปลอบใจให้รู้ความรู้สึกอบอุ่นและมีทำให้ชีวิตมีความหมายอย่างเดียวพุทธศาสนาคือระบบการศึกษานี่มันต่างกันมากตรงชุดนี้ที่เราต้องเข้าใจศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามเนี่ยศาสนาที่เรียกว่า belief system ศาสนาพุทธเป็น education system เราเป็น education แบบไหนก็เป็น การศึกษาเป็นการฝึกหัดกายวาจาใจความเชื่อมีไหมความเชื่อมีเหมือนกันแต่ความเชื่อของเราก็คือมนุษย์เรามีศักยภาพที่จะเข้าถึงความสุขที่แท้จริงด้วยความพักเพียรพยายามของตัวเราเองชีวิตของเราจะเจริญจะเสื่อมก็อยู่ที่เรานั่นเราเราอยากจะถานข้าว เราจะฐานข้าวหรือทำยังไงอก็ต้องมีความรู้ก่อนใช่ไหมว่าผงข้าวต้องใช้วิธีการยังไงแล้วต้องมีเครื่องอุปกรณ์แล้วก็เอาหม้อข้าวมาเอาข้าวสารเอาน้ําแล้วก็เปิดไฟล์หุงข้าวถูกต้องตามวิถีเราจึงจะได้ข้าวกินเรียกว่าว่าเราทําตามเหตุตามปัจจัย เน่ก็คงไม่มีใครนับถือศาสนาไหนในโลกที่เอาหม้อไว้ของหน้าคนแล้วก็อ้อนวอนให้พระเุ็นเจ้าเลิกหายตนปานดานให้เข้าสารเป็นเข้าที่กินไดใช่ไหมถึงเวลาจริงๆในชีวิตทุกคนก็เป็นผุดทั้งนั้นไม่ว่านับถือศาสนาไหนหรือไม่นับถือศาสนาอะไรในชีวิตจริงนี้ทําตามหลักพุทธศาสนาคือเรียนรู้เหตุปัจจัยที่จะนาไปสู่ผลที่ต้องการ ในเพียงแต่ว่าทางพุทธศาสนาถือว่าหลักนิชัยทั้งภ า, ภายนอกด้วยภายในด้วยไม่ใช่เรื่องภายนอกอย่างเดียวอย่างเช่นจะกินข้าวต้องหุงข้าวถูกต้องตามวิถีจึงจะได้แม้ต้องทั้งเรื่องภายในเราจะไม่เจริญจะเสริมจะอะไรเพราะสิ่งเนื้อธรรมชาติที่ไหนแต่มันอยู่ที่เราฉลาดในเรื่องเหตุปัจจัยเราต้องการชีวิตของเราดีแล้วก็ต้องสร้างเหตุปัใจจัยให้มันดี ไม่ต้องการชีวิตให้เสื่อมต้องฉลาดในกามป้องกันไม่ให้เกิดความเสื่อมในพุทธศาสนาจึงสอนให้เราเรียนรู้จากชีวิตโดยไม่ใช่วิ่งไปหาสิ่งที่ชอบวิง่งหนีจากสิ่งที่ไม่ชอบและถือว่าชีวิตเราเจริญเพราะเจอแต่สิ่งที่ชอบมากๆไม่คอยเจอสิ่งที่ไม่ชอบอันนั้นไม่ใช่ความเจริญเป็นเป็นความโอนแอและเป็นความประมาทในชีวิตนั้น พระองค์จึงให้เราเรียนรู้เรื่องความเป็นมนุษย์ที่ว่าการปฏิบัติไม่ใช่หนังหลักตาอย่างเดียวทําให้จิตใจสงบอย่างเดียวคื อ, อหัวใจของพุทธศาสนาคือการเรียนรู้เรื่องความเป็นมนุษย์ของตัวเองให้เข้าถึงความเป็นจริงของชีวิต อ, อย่างเช่นการที่ว่าเราเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วต้องพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆต้องดูจิตใจของตัวเอง ต้องเรียนรู้จักวิธีดูจากการเคลื่อนไหวของจิตใจดูความเกิดดับของอารมณ์ทำไมคนจึงกลัวตายมากกลัวตายก็มีสาเหตุหลายอย่างแต่ที่สาคัญก็คือไม่อยากจะผลัดรากไม่อยากจะผลัดพรากจากกายไม่พลัดอยากจะผลัดพรากจากโลก ไม่อยากจะพลัดพรากจากสิ่งที่เคยชินกลัวสิ่งที่ไม่รู้กลัวความดับนี่การฝึกปฏิบัติธรรมคือการฝึกสติให้อยู่ในปัจจุบันจะทําให้เห็นอารมณ์ทั้งฝ่ายกุศลฝ่ายอกุศลที่สดชืน่นเบิกบานที่เส้าหมองคุณมัวเกิดขึ้นแล้วดับไปไม่มีอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งที่จะอยู่ตลอดตลอดไปเห็นไหม เปลี่ยนไปตลอดเวลาฉะนั้นเราก็จะเห็นความเกิดขึ้นและดับไปของอารมณ์อยู่ทุกวันจะคุ้นเคยกับความเกิดจะคุ้นเคยกับความดับทีนี้การที่เราคุ้นเคยกับความดับจะทำให้ความกลัวต่อความตายน้อยลงเพราะความตายก็คือความดับยิ่งใหญ่ในชีวิตแต่นี้พอเราคุ้นเคยไม่กลัวไม่รังเกียจ ความดับความผลัดพลาดเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจําวันเป็นการเตรียมตัวตายแล้วเมื่อเรามีความพยายามทุกวันที่จะละบาปบาเพ็ญกุศลชําระจิตใจของตนให้บริสุทธิ์คือมีแนวทางปฏิบัติในชีวิตประจําวันพยายามให้ความโลภความโกรธความหลงน้อยลงทําให้ความเมตตากรุณา เพิ่มมากขึ้นใช้ปัญญาแทนอารมณ์ในการดำเนินชีวิตมากขึ้นเรารู้สึกว่าเราได้กำไรทุกวันด้นวิธีที่เราจะทดสอบตัวเองก็คือถ้าสมมติว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิตเรามีอะไรเสียดายไหมหรือว่าถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายในเวลาที่ที่เหลืออยู่เราคิดจะทำอะไรบ้าง สำหรับพระเราเนี่ยสบายมากเราเราก็ตอบได้ทันทีว่าเราจะทำสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ถ้าเป็นพระหรือว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายจะทำยังไงก็จะตื่นที่เช้าจะทาวัดสวดมนต์นั่งสมาธิออบิ้นเดบาเพราะว่าเรามีความความรู้สึกว่านี่ก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วแต่สำหรับคนเราส่วนมากก็คงไม่ใช่อย่างนั้นบางคนก็พอพอพูดอย่างนี้อะไรจะพูดขึ้นมาว่า อยากจะขอโทษคุณพ่อคุณแม่ก็มีเรื่องอย่างค้งางคาเรื่องด้านเรื่องนี้หลายสิ่งหลายอย่างที่ว่าเราคิดว่าจะแก้จะทำแต่ไม่ได้ทำสถทนะีเพราะเชื่อแล้วเราน่าจะเรียกว่าเป็นความเชื่องมงายว่าน่าจะมีเวลาแต่เมื่อเราเจอความพลัดพรากจากผู้ที่เรารักแล้วจึงทำใจได้ยากเพราะในขณะที่เราอยู่ด้วยกัน เราประมาทมากสิ่งที่ไม่ควรทำแล้วก็ทาสิ่งที่ไม่ควรก็พูดสิ่งที่ควรพูดก็ไม่ได้พูดสิ่งที่ควรทำก็ไม่ได้ทำก็ก็รู้สึกอะไรมันมันไม่สมบูรณ์มันไม่เรียบร้อยว่าจะทำแต่ว่าอัตตามันยังยังไม่ยอมแพ้ยังจะชนะอยู่หรือว่าจะมีอะไรสักอย่างติดขัดอยู่ภายในมันก็เลยยอมไม่ยอมปล่อยว่าง แังในชีวิตประจำวันของญาติโยมมีโทระมีหน้าที่การงานมากมายเพราะฉะนั้นสามารถหนีจากตัวเองได้ตลอดเวลาอยู่ในระดับพิวเพินมากแล่ก็มีเวลาคนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เคยเก็บกดเอาไว้จะพุดขึ้นมากดไม่อยู่ความเศร้าโศกเสียใจ ความทุกข์ความโกรธความแค้นใจอะไรต่อไหรรที่เราเก็บกดเป็น10สิบปีมันก็จะพุดขึ้นมาเพราะว่าเรารู้ว่าไม่มีเวลาจะแก้แล้วหรือว่าไม่มีเหตุผลที่จะเก็บก็ได้แล้วอันนี้จะคนจะเป็นทุกข์มากนั้นเรื่องความเจ็บปวดก็มีศูนย์หนึ่งก็เป็นเรื่องของร่างกาย แต่ศูนหนึ่งมันก็เกิดจากอดีตของคนชีวิตทั้งชีวิตถึงบางทีก็ปรากฏเป็นเป็นเรื่องทางสรีระร่างกายทัางกายจะแยกแยะระหว่างกายกับสังคมกับวัฒนธรรมกับครอบครัวกับอะไรนี้มันยากมันเป็นเรื่องสลับซับซ้อนมากอย่างไรก็ตามในการที่เราอยู่ในเมืองพุทธหรือว่าเมืองที่เอว่าพุทธ เราอย่างที่เปรียบหลายอย่างเพียงแต่ว่าเราเรายัางไม่ได้ใช้ทรั พ, พยากรที่ล้ำค่าคือพระพุทธศาสนามาใช้ในสังคมในชีวิตของเราแต่ละคนเท่าที่เ ท, ท, ท่าที่ควรอย่างเช่ น, น, นเรื่องการเรียนหนังสือการการเขาโรงเรียนสิ่งที่ ควรจะสอนและควรจะเรียนรู้ที่จะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตมีหลายอย่างทีเดียวที่ไม่มีใครกล่าวถึงเลยอย่างเช่นทุกขเวทนาทุกคนต้องเจอทุกขเวทนาในชีวิตแล้วทําไมไม่มีการสอนว่าทุกขเวทนาคืออะไรการปฏิบัติต่อทุกขเวทนาเป็นอย่างไรทุกคนก็ต้องเจอจากความพลัดพราก จะเป็นความผิดพราดจากคุณพ่อคุณแม่จากสามีภรรยาจากลูกจากหลานก็แล้วแต่แต่ถ้าเราเป็นนักปฏิบัติธรรมหรือเราเป็นชาวพุทธแท้ทจริงเรื่องนี้ต้องศึกษาสิต้องศึกษาล่วงหน้าไม่ใช่ว่าเป็นแล้วทุกแล้วจึงขิดจะแก้อันนี้ก็เป็นการใช้แบบพฐมพยาบาลในในเรื่องที่เหมันรายแรงมาก เราต้องสอนตัวเองและสอนลูกสอนหลานาให้สนใจศึกษาเรื่องกายเรื่องวาจาเรื่องใจของตัวเองโดยเอาคำสอนพุทธศาสนามาใช้อย่างเช่นสิ่งที่เราเรียกว่าทุกเวทนาความเจ็บปวดถ้าผู้ภาวน า, าผู้ภาวนาก็จะเห็นได้เลยว่าทุกเวทนามิศูนหนึ่งที่เป็นทางฝ่ายสริระ แล้วโอ้ยอิศุนหนึ่งเกิดจากปฏิกิริยาทั้งจิตใจต่อทุกขเวทนาทางกายจะเกิดจากความกลัวความกังวลความรังเกียจอะไรก็แล้วแต่แล้วถ้าเราฝึกจิตให้ดีเราสามารถระ ง, งับสู้นนั้นได้ถ้าตัดส่วนที่เป็นปฏิกิริยาทั้งจิตต่อทุกขเวทนาทางกายออกไป เหลือแต่ทุกขเวทนาทางกายการปรมาณก็ลดน้อยลงไปมากอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราควรจะมีในเมืองพุทธทางพุทธศาสนามีปัญญามีความรู้เกี่ยวกับจิตใจของมนุษย์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างกายกับใจที่เจริญเก่าหน้ามากกว่าทางตะวันตกดังอย่างแทดเทียบไม่ได้เลยเรือถ้าจะเทียบ อาตมายังถือว่าความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของจิตแานพุทธศาสนาเหมือนกับระดับปริญญาเอกหรือระดับด็อกเตอร์แล้วค้งทางตะวันตกยังเป็นอนุบาลยังยังเป็นปฐมอยู่ก็เป็นสิ่งที่น่าเสียดายว่าพอเราขาดความรู้ความเข้าใจในศาสนาของตัวเองในในลักคำสอนของพุทธศาสนาเราเสียโอกาสที่จะเป็นผู้นาโลกแทนที่จะเป็นผู้ ตามตะวันตกอยู่ตลอดเวลาเรื่องทางเทคโนโลยีเราต้องยอมรับว่าตะวันตกเจริญก้าวหน้ามากแล้วก็มีทุนมากกว่าคงจะสู้เขาไม่ได้แต่เรื่องอะไรที่เกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ที่เกี่ยวกับธรรมชาติของจิตใจทางเหล่านี้ไม่ไม่แพ้ทางตะวันตกเลยตรงกันข้ามอย่างเช่นในสมัยปัจจุบันจะเห็นว่า สำนักจิตบำบัติของตะวันตกส่วนมากเขาจะมาเรียน เ, เรื่องพุทธศาสนาส่วนใหญ่เพราะผู้ที่ต้องทำงานกับผู้ที่มีปัญหาทั้งจิตใจจริงๆ จ, จะเห็นว่าหลักสอนของพุทธศาสนานั่นแหละเป็นสิ่งที่ช่วยคนได้จริงนั่นพุทธเจ้าท่านสอนละเอียดอ่อนมาก เ, าเรื่องกายเรื่องใจ ธรรมชาติของใจการปฏิบัติต้องอย่างอย่างไรอุปสรรคที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างวิธีแก้มีอะไรบ้างท่านสอนหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ทำให้เราเข้าใจความเป็นมนุษย์ของเรามากขึ้นเพราเข้าใจความเป็นมนุษย์ของเรามากขึ้นเราไม่ต้องไปสู้กับธรรมชาติเราก็มีการยอมรับธรรมชาติร่างกายผิดปกติมีโรคล้วก็รักษาตาม สภาพตามสมควรแต่ถึงเวลาที่จะไม่ไหวแล้วก็เราก็ถือว่าตอนนี้หน้าที่ที่สำคัญของเราคือเตรียมเตรียมจิตใจก่อนตายอันนี้ก็เป็นหน้าที่โดยตรงแล้วผู้ที่จะทำหน้าที่อย่างนี้ได้ดีคือผู้ที่เริ่มทำตั้งแต่อย่างเด็กมีแนวทางอยู่แล้วเป็นแต่ว่าตนช่วงสุดท้ายของชีวิตทำแบบเข้มข้น ในอาตมาจำได้มีชาวบ้านคนหนึ่งอยู่ที่บ้านบุงวายเมื่อหลายปีที่แล้วก็จะหมดปุ่นแล้วพระเราไปไปเยี่ยมที่บ้านเขานอนป่วยเห็นพระมาก็ที่ใจแล้วก็เอาเอาบั้มออกมาดูรูปถ่ายก็มีรูปหลายสิบรูปเป็นล้วนแต่เป็นรูปพระแล้วก็พลิกดูพลิกดูรูปองนั่นองนี้ ก็เล่าว่าเคยไปกราบองค์นั้นที่โน้ที่นี้เยมีความสุขมากแล้วการพูดกันจัดสัญญาความจำของของเขามีแต่สิ่งที่ที่เป็นปุญเป็นกุศลอันนี้ก็เป็นผลกรรมที่จะเห็นชัดลองดูซิว่าตอนสุดท้ายของชีวิตต่างกันไมคนคนปฏิบัติับไม่ปฏิบัติ ในชีวิตประจำวันเวลาทุกสิ่งทุกอย่างกําลังเจริญอาจจะไม่เห็นความส ำ, สำคัญของการปฏิบัติอาจจะเห็นว่าคนปฏิบัติเสียเปรียบได้ซ้ำไปแต่พอเกิดความยากความลบากเกิดความเจ็บไข้ใจป่วยหรือ ว, ว่าเป็นโรคร้ายแรงเห็นชัดเลยว่าผู้ที่มีที่เพิ่งภายในผู้ที่มีจิตใจที่แข็มแขงต่างกันมากเลยและผู้ที่ อยู่วาระสุดท้ายของชีวิตถ้าเป็นนักปฏิบัติถ้ามีคุณธรรมก็ยังสามารถทําบุญจนถึงลมหายใจสุดท้ายเลยเพราะว่าคนรอบข้างเข้ามาปรนิบัติก็เห็นความสงบเห็นความอดทนเห็นคุณธรรมของผู้ป่วยก็เกิดประทับใจซาบซึ้งใจก็เป็นเป็นสิ่งที่น่าขิดเหมือนกัน ว, ว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะ บอกเขาได้ด้วยว่านี่แหละเรากำลังทำบุญไม่ใช่ว่าปิดปากเง อ, อทำทำท่าเป็นนักปฏิบัติที่เก่งเหมือนก็เล่นละครแต่ถ้าผู้ที่เขาเขามีจริงเขาปฏิบัติจริงบ้างเป็นที่ประทับใจของคนทุกคนนี่การปฏิบัติต้องต่อเราต้องพยายามให้เป็นเรื่องของ คนทุกคนในครอบครัวด้วยคือไม่ถือว่าเป็นเรื่องของแกอย่างเดียวเพราะทุกวันนี้เราเราทราบว่าคนคนจะตายแล้วที่คนตายก็ปฏิบัติธรรมเขาศึกษาเรื่องชีวิตอย่างท่องแท้ไม่กลัวตายพร้อมที่จะเดินทางต่อไปแต่ลูกหลานนี่แหละที่ไม่ยอมปล่อย แล้วก็ทำให้คนไข้เอืดอัดใจเหลือเกินอยากไปแต่ไปไม่ได้เกรงใจลูกหลานเพราะฉะนั้นความรักที่ประกอบด้วยอวิชชาก็ก็มีมากแล้วที่อาตมาอยากจะให้เห็นมากขึ้นก็อยากอยากให้การรักษาคนไข้ในวาระสุดท้ายได้จะกว้างขวางกว่านี้ก็คืออยากจะให้มีการ ให้พระมีบทบาทและผู้ที่ปฏิบัติธรรมจะเป็นอุปาศกปสิกาก็ได้มีบทบาทในการเป็นที่ปรึกษาของครอบครัวเป็นการให้คอคิดทางธรรมะด้วยก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาเพราะเรื่องทั้งจิตใจนี้เราต้องยอมรับใช่เราก็เห็นว่าคนไข้นอนซึมเศร้าเสียใจกลัวกังวลพยาบาลเดินเข้ามาในห้อง ยิ้มรู้สึกว่ายิ้มครั้งเดียวนี่ดีกว่าฉีดยาทั้งสองสามเข็มฮะเห็นหมมันเป็นความรู้สึกของคนไข้และความรู้สึกเปลี่ยนไปในทางที่ดีมันก็มีผลต่อร่างกายด้วยเพราะว่ามันสัมพันธ์เนื่องอาศัยกันอารมณ์ของคนไข้ก็สำคัญแต่ว่าเราจะดูคนไข้ตัวแยกออกจากครอบครัวไม่ได้เพราะที่ คนไข้ก็ทำใจแต่ครอบครัวทำใจไม่ได้และของไขรก็ไม่กล้าแสดงออกความรู้สึกที่แท้จริงนั้นการดูแท้งจิตใจนี่สำคัญมากหรือว่าใ น, ในก่อนนี้ของลูกหลานก็ต้องคอยดูว่าคุณยายและขู่ที่จะเสียไปกำลังมีความวิตกกังวลเรื่องอะไรบ้างเราเป็นหน้าที่ของของเราที่จะไปปลอบใจว่า ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องนั้นนะลูกก็รับผิด ช, ชอบได้เลยไม่มีปัญหาถึงจะทำไม่เก่งเท่าพ่อแ ล, แล้วก็อย่างพอไหวอยู่นั่นจะเป็นการทำบุญที่ดีมากเพราะว่าผู้รอดข้างทุกคนต้องพยายามช่วยให้คนไข้อยู่ในสภาพที่พร้อมที่จะปล่อยวางต่อไปเพื่อถึงขั้นสุดท้ายแล้วไม่มีทางจะหายแล้วต้องเตรียมตัว โดยเฉพาะยิ่งต้องเตรียมใจแล้วก็เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องช่วยจึงจึงเห็นว่าเรื่องการรักษาคนไข้เรื่องพงยาเรื่องเทคโนโลยีเรื่องอะไรก็เป็นศูนย์หนึ่งัาตมาไม่ค่อยจะมีความรู้เท่าไหร่แต่อีกศูนย์หที่เราเราต้องให้ความสําคัญมากทีเดียวก็คืออารมณ์ของคนไข้อารมณ์ของลูกหลานหรือคนรอบข้างความสัมพันธ์ระหว่าง หมอกับคนไข้ความสำคัญกับหมอกับญาติความสามัคคีของลูกหลานอย่างเช่นเรื่องการจะรักษาอย่างไรต่อไปบางทีก็ลูกทะเลาะปรปองการลูกศูนย์หนึ่งก็อยากให้คุณพ่อคุณแม่ไปแบบธรรมชาติอีกศูนย์หนึ่งก็อยากรักษาเต็มที่บางทีเกิดความ ปาดหมางการเกิดความโกรธกันซึ่งผู้คน่ายตายไปแล้วลูกไม่ภูกันเป็นปีก็มีสิบปีก็มีท่านธรรมาวัดเราเป็นผู้มีเมตตาเธ ถ, ถือว่าเรามีหน้าที่รักษาเก็เราอยากให้เขาหายแต่ไม่ใช่ว่าเขาจะไม่หายแล้วหมอเรียกว่าแพ้หรือว่าหมอไม่เก่งก็เือว่าเป็นศูนหนึ่งชีวิตข อ, ของเราต้องมีจุดจบ แล้วเมื่อในกรณีของคนไข้คนนี้เป็นเป็นผู้ที่จะไม่หายทำยังไงเราจะจึงจะทำสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคนไข้คนนี้แล้วก็ทีมงานที่จะมาช่วยทั้งจิตใจด้วยทั้งศาสนาด้วยตอนที่ยมพ่ออาจจะมาเสียเมื่อสองปีที่แล้วแต่มาอยากจะขอขอไผด้วยถ้าไม่เหมาะสมแต่ว่าอยากจะชมยมพ่อแตมาเพราะว่า ประทับใจว่าเก่งมากมาถึงเมืองไทยมาเที่ยวเมืองไทยปวดหลังปวดหลังมากจะเป็นคนอดทนไม่เคยเปิดเผยความเจ็บปวดไปไปตรวจ MRI ปรากฏว่ามีเนื้องอกกอนใหญ่เริ่มอยู่ที่กระดูกสันหลังก็ลเลยเดินทางกลับอังกฤษใช้แสงไม่ได้ผลแวันแรกที่ที่ไปตรวจ MRI แล้วทราบว่าเป็นอะไรอาตมาเป็นคนบอกข่าว แล้วยอมพ่อที่ซึ่งไม่ทราบดวงหน้าว่าเป็นอะไรก็บอกว่าไม่เป็นไรฮะผมพอใจแล้วอายุเจดสิบกว่าแล้วพอสมควรแล้วผมไม่มีอะไรชีวิตผ ม, ผมก็เป็นที่พอใจครอบครัวผมดีผมก็ไม่มีอะไรอาตมา ก, ก็ประทับใจมากท่นี้ตอนต้องกลับไปอยู่อังกฤษก็รักษาไม่ได้ผลแล้วก็อากาศค่อยๆ่อสุดโสมไปช่วงสุดท้ายยมพ่อมีโอกาส สิ้นในสิ้นบุณอยูในฮอสปิสซซึ่งเป็นครั้งแรกที่อาตมาได้เข้าไปในฮอสปิสรู้ว่าฮอสปิสเป็นอย่างไรแล้วรู้สึกชอบมากแล้วคิดว่าเอ๊ะทำไม เ, เมืองไทยไม่ค่อยจะมีอย่างนี้คิดว่าเอ๊ะที่จริงแล้วมันน่าจะเมืองไทยน่าจะเป็นประเทศนําในในในสิ่งอย่างนี้อ่าคือเข้าไปแล้วแล้วห้องใหญ่แล้วก็มีแค่ สอสมเตียงนอนแล้วก็บรรยากาศสงบวิเวกเงียบแล้วก็มีหมอเขาจะมาดูแลมีอาสาสมัครประนางเป็นเพื่อนาาว่าไม่มีญาติแล้วก็มีบานหลวงจะมาทุกเช้าถ้าใครอยากจะคุยกับบ้านหลวงก็ขอพูดได้แล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างทําเพื่อให้คนคนไข้ซึ่งรู้แล้วว่าจะไม่หายปลายแบบสงบไปแบบมีความสุขเขาเขาทําได้ดีมากเลย แต่ที่ที่ได้คอคิดก็การที่ว่ามีมีบาทหลวงที่จะแวะไปทุกวันหรือว่าถ้ามีอะไรชุกเฉินก็โทรไปขอมาได้ต้องมาเล่ยคิดว่าเอ๊ะทำไมเมืองไทยเราไม่ไม่ฝึกพระหน่วยหนึ่งอ่าหรือว่าอุปโสุปสิกาที่เคยเขาวัดเป็นอาสาสมัครเป็นที่ปรึกษาของโรงพยาบาลและเป็นเพื่อที่ที่จะอยู่ประจำและจะแวะไปทุกเช้าเพราะว่ามี ผู้ที่อยู่วาระสุดท้ายอยู่คนเดียวไม่มีใครที่จะพูดคุยได้ก็จะขอพบไม่จำเป็นต้องเป็นพระเสมอไปถ้าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมมีประสบการณ์ท้งปฏิบัติธรรมแล้วก็มีการรับรองจากครูบาอาจารย์ก็น่าจะเป็นงานงานช่วยสังคมอย่างหนึ่งที่ที่เราควรจะสนับสนุนกระลาตมาก็เข้าใจว่าปัญหาของหมอก็คือกลัวว่าถ้า ถ้ามีความสัมพันธ์กับคนไข้มากเกินไปพวกคนไข้เสียชีวิตบ่อยๆและจิตใจก็จะแย่แล้วก็จะเ ป, เป็นสิ่งที่ทําให้หมอหลายคนก็ไม่ค่อยจะกล้าอมองมนุษย์เป็นมนุษย์เท่าที่ควรทังใจเป็นเป็นรายรายไปแล้วก็บางทีถ้าอาตมาขอโทษและเคยเห็นท่าทีของหมอหลายคนแล้วรู้สึกโอ้โหสงสารคนไข้ สงสารคนไข้โดยเฉพาะหมอนุ่มในี่ยสำคัญคือไม่ค่อยจะมีมรุดสัมพันธ์ไม่ต่อมาว่าหมอเนี่ยมันควรจะมีการเข้าริทร e a ปฏิบัติธรรมเจริญเมตตาภาวนาเจริญพรหมวิหารถ้าต่อมานทะ่าถ้าหมอไม่มีพรหมวิหารไม่ให้จบนะรู้แต่วิทยาการมีพระฝรั่งวัดนางนาชาติ เพิ่งไปตรวจโรคที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพก็หมอก็ตรวจก็หาสาเหตุไม่ได้แล้วก็ผู้ไปผูดมาเชา้าตะวันตกมาโบวถในพุทธศาสนาสาเหตุน่า จ, จะมาจากความผิดปกติทางจิตใจหมอเพิ่งจบมาจากอเมริกาก็เรื่องเรื่องของของจิตใจก็สำคัญแล้ว แล้วอีกอย่างหนึ่งก็เรื่องการสื่อสารที่เรกควรจะสอนโดยโดยตรงอย่างเช่นลักลักจิตวิทยาง่ายๆจะบอกข่าวที่จะเสถื่นใจผู้ฟังพูดยังไงคือถ้าเรามีเหตุผลหรือมีข้อมูลต่างๆเราพูดข้อมูลก่อนแล้วก็พูดข่าวเป็นข้อสุดท้ายเพราะอะไรเพราะถ้าพูดข่าวก่อน ว่าเป็นมะเร็งแล้วเป็นคันที่สี่แล้เป็นอะไรก็แล้วแต่ผู้ฟังนี่ช็อกเรื่องที่ที่เราพูดอีก5นาทีสิบนาทีฟังไม่รู้เรื่องเลยไม่สามารถจะรับรู้ได้อ น, นี้ก็เป็นธรรมชาติของจิตยอย่างหนึ่งใช่ไหมพอช็อกแล้วแล้วก็ฟังไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นถ้ามีข้อมูลมีรายละเอียดอะไรเราก็พูดสิ่งสเหล่านี้ก่อนพราะเป็นอย่างนี้อย่างนี้เราก็ตรวจอย่างนี้แล้วถ้าทําอย่างนี้อย่างนี้แล้วแล้วเราก็คอยพูด พูดสิ่งที่จะเสถเทือนใจต้นท้ายอันนี้ก็เป็นหลักการสื่อสารง่ายๆที่ก็ยังเห็นหลายคนยังแค่นี้ก็ยังยังไม่ค่อยจะจับหลักได้ก็หลายคนก็คงเคยเคยได้ยินคำพูดของลุงพอชาว่าผู้ที่สอนยากที่สุดคือคือผู้ที่มีการศึกษาเขาบอกว่าผู้มีปริญญาตรี เขาเก่งแต่เขาไม่รู้ว่ากิเลสเขาก็ปริญญาตรีเหมือนกันปริญญาโทกิเลสเขาก็ปริญญาโทเหมือนกันปริญญาเอกก็กิเลสเขาปริญญาเอกเหมือนกันนั้นอตอนนี้เราก็พูดกันมากเรื่องความฉลาดว่าแต่ก่อนน่ามองแค่ว่า IQ คือความฉลาดมัจจุโปรโตกคนนี้เขาฉลาดมากเขาสอบเป็นที่หนึ่งตลอดนีเขาเก่งมากแต่ ก็เป็นคนขี้โมโหมากแล้วก็แล้วก็วกเถือตัวเถอดตนไม่ฟังเหตุผลใครเสียดายจะฉลาดมาก อ, มอันนี้ก็สำนวนเก่าแต่ที น, นี้เราไม่พูดอย่างนั้นเราก็บอกว่าความฉลาดมีหลายอย่างคือมี IQ มี EQ มีความฉลาดทางสังคมเรียกว่า social intelligence มีมีอะไรแล้วก็บอกว่าเขาทาง IQ นี้เขาเขาดีแต่ว่าความฉลาดอย่างอื่นเขายัางปอกพร่องอยู่ ดันั้นาการศึกษาอะไก็ต้องกว้างขวางด้วยดันั้นสุดท้ายถ้าเรามีอะไรอยู่ในใจคนไข้เนี่ยโดยจะพาะองไข้ในวาระสุดท้ายจะเซนซิทีฟมากเขาจะสัมผัสเมื่อถึงแม้เราไม่พูดเพราะฉะนั้นถ้าเราเองกลัวตายคนไข้ที่จะตายเขาก็สัมผัสเหมือนกันนะลักษณะการพูดการแสดงออกมอไมลัยมัน มันก็เกิดจากความความกลัวตายของเราเองร้านการศึกษาชีวิตการปฏิบัติธรรมให้ไม่มีสติให้ความสงบภายในความความมั่นคงความเข้มแข็งทั้งจิตใจทำให้เราทำงานได้ดีขึ้นด้วยแล้วก็ทำให้เราสามารถสร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นได้ดีด้วย